<c oughs> จริงๆคิวของอกระผมเนธามานั้นที่เทศก็คือเมื่อวานนี้พอดีติดกิจนิมนต์ไปช่วยพระชันทรสงสินนะอบรมเจริญสติกับบุคลากรสาธารณสุขของโงรงพยาบาลนนํำไปมาศนะก็เลยในวันนี้ก็ทางท่านจานโนธนะก็ได้ให้โอกาส กับกระผมเนธมาได้มาพูดคุยแสดงธรรมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริม <c oughs> กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะยังยิ่งการเจริญสติที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกุลโตแห่งนี้ก็จะขอพูดภาพกว้างๆไปก่อน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 นะความสูงเขาอยู่เหนือระดับทะเลนี้ประมาณเป็นพันเมตรขึ้นไปนะก็อยู่เหนือประเทศอินเดียนะและอยู่ใต้ประเทศจีนแลนะอยู่ติดกับเทือกเขาฮิมลัลไลเพราะฉะนั้นอากาศก็จะเย็นทั้งปีช่วงที่เราไปนี้เป็นหน้าร้อนนะอากาศก็ยังเย็นอยู่นะที่น่าสนใจอันนึงก็คือประเทศปูตานเนี่ยนะมีคนอยู่แค่7จ็ดแสนกว่าคน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 ส่วนใหญ่ก็มีชีวิตเหมือนเข้าใจว่าน่าจะเหมือนสังคมเกษตรทั่วไปอ่ะถ้าประเทศไทยเราก็จะย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีที่แล้วที่เป็นสังคมเกษตรที่เรามีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติก็ยังมีเวลาไปทำบุญเข้าวัดฟังธรรมของที่ปูตานเนี่ย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 เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสงบแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังในการที่จะให้คนเข้าไปในประเทศเขาปีหนึ่งก็ไม่ให้เข้าไปไม่เกินสาม 0,000 ื่นค น, นโดยใช้ค่าเหยียบแผ่นดินเป็นตัวกันคนไม่ให้เข้าค่าเหยียบแผ่นดินนี่แพงมากประมาณวันละสองพันบาท น, นั้นก็เป็นส่วนที่ได้ไปพบเห็นมานแล้วก็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 จะนึกจะคิดจะคิดอะไรก็ได้นะก็มีความสุขเพลิดเพลินไปนะแต่ว่าพอมารู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองหมดอายุในสวรรค์นะก็ตกมานะถ้าถ้าทำดีนะก็อาจจะได้ขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นนะถ้าทาไม่ดีก็ จ, จะตกไปที่นรกหรืออาจจะตกมาที่โลกนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ที่ฐานว่าถ้ามีโอกาสนะขอให้ว่าเกิดในโลกนะเหมือนกับ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็ตามคำภีนะหนังสือก็บอกว่าเป็นเทพอยู่ที่ชั้นดุสิตนะก็ได้ลงมาเกิดนะเป็นเจ้าชายเศรัฐาณ์นะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเราอยู่ในโลกนะเราก็ปรารถนาจะไปอยู่สวรรค์หลายคนดีเดียวนะแต่คนที่อยู่สวรรค์คือเทวดาเนี่ยก็อยากมาเกิดในนรกเออไม่ใช่เกิดในนรกเกิดในโลกมนุษย์เรา นะเพราะว่าในโลกมนุษย์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขนะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยมีแต่ความสุขสบายแนะก็เพลิดเพลินบางทีก็ลืมตัวหลงตัวลืมตัวไปไม่ได้พัฒนาตัวเองนะถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีฐานะร่ํารวยมีความสุขสบายในโลกเนี่ย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 เป็นสถาบันการศึกษาที่จะให้เราเดียโอกาสได้มาศึกษากายใจน่ก็คือชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยัวกระผมด้วยตมาเองแล้วก็มีความตั้งใจนาที่จะมาเรียนรู้พวกนี้ในเรื่องเหล่านี้เพราะมีความเชื่อว่ากายใจของเราเนี่ย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 นะที่จะต้องเห็นนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวของผมเนธ ม, มาเองก็ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเป็นนรกสวรรค์ในใจเนี่ยนะเราพอจะสัมผัสได้เราพอจะเรียนรู้ไดนะ้เป็นสิ่งที่เราสามารถประจักษ์แจ้งไดนะ้ด้วยการที่เรากลับมาดูกายดูใจของเราเมื่อใดที่เราทำดีถูกต้องตรงตามธรรม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 มันก็มีอยู่ในใจเรานี่แหละนะด้วยการเจริญสติด้วยการที่เรามองเข้าไปภายในตัวเราเพราะนั้ น, นลกสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ในตัวเรานี่เองนะแต่ในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่สวรรค์นะหรื อ, อ, อสัมผัสกับนรกเท่านั้นนะมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือความเป็นปกติของใจความเป็นปกติของใจเนี่ย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 นะมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันนะเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นอาการของกายมันปวดมันเมื่อยนะแต่ใจเรายังเป็นปกติได้นะเราก็แก้ไขนะเปลี่ยนแปลงนะอัจฉริยะขยอนเปลี่ยนอิริยาบถไปนะมันก็คลายไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้แม้แต่เราหิวเรากระหายนะในบางครั้งอยู่ในบางสถานการณ์เช่น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 เราไม่สามารถบังคับอัญชาได้นะคนที่ติดสุขนะพวกเทวดาทั้งหลายพวกที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายพวกนี้นะพอติดสุขแล้วพอสุขมันหายนะก็เสียใจอะไรอาวรนนะ์อันนี้ก็ตกนรกทันทนะีเพราะนั้นสวรรค์นรกเนี่ยไม่อยู่ไกลกันเลยนะเหมือนกับเทวดาหรือว่าคนร่ำรวยทั้งหลายนะที่มีความสุขนะพอวันสุขหายไปนะก็มีความทุกข์ หรือบางทีสุขที่มีอยู่นะไม่พอก็ต้องหาสุขที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะกินดื่มเที่ยวนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะกับการแสวงหานะความสุขนะเพราะไม่รู้เท่าทันแต่เมื่อเรามาเจริญสติแล้วความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้นะลักเราก็เห็นว่ามันผ่านไปเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของมัน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 ความไม่แน่นอนของสวรรค์เรายังรู้เท่าทันอีกเราก็ไม่เอาสวรรค์อีกเราเอาความเป็นปกตนะิซึ่งในภาษาบาลีหรือภาษาพาก็เรียกวันิพานะแต่เป็นนิพานแบบชิมลองนะนิพานชั่วคราวนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยหลวกับ่ผมได้แตมาได้ยินได้ฟังครั้งแรกนะจากอาจารย์พุทธทาสนะโดยอ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสนะซึ่งก็เอเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน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 และเราก็จะเห็นเลยว่าอาชีพหรืองานที่เหมาะสมนะที่เป็นไปในทางที่ชอบนะเราก็ประกอบนในส่วนของพระภิกษุสา ม, มเณรเราก็มีอยู่แล้วนะธรรมวบไนนะเราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยธรรมวบีไนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้ น, นจากการเจริญสติก็จะทำให้องค์มรต่างๆนี้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์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 ก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปนะคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านนะที่อยู่ในที่นี้แล้วก็อยากจะชักชวนให้พวกเราเนี่ยนะได้ร่วมกันนะใช้ชีวิตนะด้วยการเจริญสติเนี่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะพระที่บวชโดยมีระยะเวลากำหนดชัดเจนนะก็ ถ้านับเวลาเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆเท่านั้นเองก็จะออกพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนชักชวนนะได้ให้เวลาที่เหลือเนี่ยนะสำหรับการเจริญสตินะอย่างเต็มที่นะเพื่อที่ว่าจะได้ติดตัวไปใช้นะในออตอนลาศิกขาไปไปใช้ชีวิตในโลกในสังคมต่อไป นะเพื่อประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ของสังคมนะมีชีวิตนะด้วยความเป็นปกติสุขนะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดและก็ปรับตัวปรับใจได้ทุกสถานการณนะ์ในโลกที่เราจะไปอยู่ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อ, อนำเสนอไวนะ้เพื่อให้พิจารณาไป